มาจากที่ไหนกันโคราชเคยมาครับอ่ะมาที่หนึ่งป่ะมาที่หนึ่งว่าหรือฮะอยู่มั่นไผเลยอยู่ของพี่ไม้พี่ไม้ที่เคยมีลูกชายมาด้วยไหมลูกชายมาเนียมาค่ะมาเีมาเขาที่แล้วลูกชายมาด้วยไหมลูกชายจะขาของค่ะมพี่เขอย้าทีนี่แล้ บุรีอัมย์ไม่ hết ยังนะมาทำอะไรใครมาังทานา้ามาทำบุญมาทบุญนะแทานออค่ะทำที่ไหนทำที่กะลงพ อ, อเป็นวันอะไรเลย ที่ผ่าที่ใครอะมาทำมาทำทำทำวันนี้หรือเพื่อพรุ่งนี้ทำพรุ่งนี้ใช่ไเมคะยำอาหารอ่าที่วัดได้นั่งตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเป็นที่ของก้อนเขาที่บ้าน มีวัดใกล้บ้านใกล้บ้านเดี๋ยวเปล่ามีมีอ่ามีอยู่นะมีวัดกำปับบ้นอ่าก็ไปทําบุญเป็นประจํำมีพระมาบินธบัตรมั้ยวีนะอก็ทําบุญผู้ญาญโยมก็ต้องใส่บาตรทาบุญรักษาศีลฮาวันพระก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมถือศีลแปด ทำอย่างนี้แล้วตายไปไม่ต้องไปเกิดในอบายรักษาศีห้าไว้ให้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดบรเวณีไม่พูดปดไม่เดินสุรายาเมาไม่เล่นการพนันแล้วก็ทำบุญตามโอกาสตามกำลังมีเงินมีทางมีอะไรพอจะทำบุญได้ก็เอาไปทำบุญ ตายไปจะได้มีบุญติด ต, ตัวไปบุญนี่แหละที่จะพาให้เราได้ไปสวรรค์กันบาป ก, ก็ป้องกันไม่ให้เราไปอาบายไม่ทำบาปรักษาศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราไปอาบายเราภาวนาทําใจให้สงบก็จะไปนิพพานไปพรมไปพรห ม, มโลกไปนิพพานกัน อันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราถ้า อ, อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาแล้วก็ไม่ต้องบูชาด้วยอะไร ผูชาด้วยการปฏิบัติเพราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระพุทธเจ้าต้องการช่วยเหลือเราไอหลวพระต้องแยกไปอยู่ที่ศาลานมื่อก่อนนะเพราะว่าเหมือน ่าติโยมจะนั่งตรงไหนก็ได้เออ่าเปิดมือถือด้วยนะอ่ะ ช่วยปิดมือถือด้วยขึ้นมาแล้วอย่ารับติดต่อกันเพราะจะรบกวนคุยกันฟังทำไปมันก็จะชนกันเสียงสัญญาณมันก็จะมารบกวนสัญญาณขึ้นของลำโพง มีใครอยากจะทาอะไรไหมเอามาจากไหนสลาวัตตวิกาะสลาวัตตก็ให้มาล่ะอาจารย์มหาเสียงเอาเครื่องกให้มปราร์ี้เราเราไ ม, ไ ม, ม่เก็บไว้บูชาล ะ, เ ก, าละเก็บไว้บูชาสิมีหลายอเอ่อเก็บไว้บูชาเถอดนะ เราไม่รู้จะไปทําอะไรเราปฏิบัติบูชาอยู่ออถ้าปฏิบัติบูชาก็ไม่ต้องมีพระพุทธรูปไม่ต้องมีพระธาตุถ้ า, ายัางไม่ได้ปฏิบัติบูชาก็บูชาพระพุทธรูปไปก่อนบูชาพระธาตุไปก่อนผู้ที่ปฏิบัติบูชาแล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระต้องม า, เ, าเสียเวลา จะทำให้เสียเวลาปฏิบัติทำปฏิบัติบูชารักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้สงบยลันสติไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาถวายได้อันนี้ไม่ได้พูดอะไรเป็นกิจลักษณะ พูไดไปหยุดไปเหมือนรถไม่ใช่รถ ด, ด่วนจอดทุกสถานีผู้โดยสารบวกเมื่อไหร่ก็จอดรับเมืนะ้ใครมาจะถวายอะไ ร, ไ ร, ไรทั้งไรก็ถใหยได้เลยถ้าวันเสาร์ทิ้ยนนี้เป็นรถ ด, ด่วนเทนแล้วไม่ไ ม, ไ, มไม่หยุดไ ม, ไม่ไม่ต้องตายวางไว้ทับเนี่ย พี่พ่อเป็นยังไงดีขึ้นเยอะเว่ะเนี่ยแต่ขี้โมโหมากเลยว่าลูกเันยนีไม่ทำบุญก็คนไม่สบายก็อย่างนี้แหละต้องเอาใจเขาหน่อยอย่าไปขัดใจขัดใจเขาก็โมโหสิ อ, อันนี้กลับมาอยู่บ้านแนล้วเหรอกลับมา 3, 3เดือนครึ่งแล้วว่ะสามเดือนครึ่ง เด็กต่ออายุไปบุญยังไม่หมดออยู่ก็อยู่ให้เกิดประโยชน์ออยู่เพื่อเอาธรรมเข้ามาสู่ใจพอเราสามารถเอาธรรมติดตัวไปได้เอาศีลติดตัวไปได้เอาสมาธิติดตัวไปได้ เอาปัญญาติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบ้านช่องต่างๆนี้เอาไปไม่ได้ลูกลูกก็ไปไม่ได้ภรรยาสามีก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ทำบุญทำทานนี่ก็ได้ไปได้บุญไปรักษาศีลก็ได้ศีลไปรักษาสมาธิปัญญา พอไปเกิดใหม่ก็จะมีศีลสมาธิปัญญาทำต่อได้เลยถ้าทำมากๆต่อไปก็ไปถึงพันิพาณหลุดพ้นหลุดพ้นจากเวกการมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่ ถ้าไม่ถ้าไม่ไปถึงพันิพาณก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เร้นพยายามพยายามปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาทำไปเรื่อยๆแล้วจิตจะผ่องใสจิตจะสอาดจิตจะสงบจิตจะมีความสุข ใครจ้ที่จุกจิต ก, ก็ไม่เดือดร้อนใครจะโมโหก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของคนอื่นใครจะดีใครจะชั่วใครจะเป็นใครจะตายก็เป็นเรื่องของเขาใจจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไร เดือดร้อนไปก็เดือดร้อนกับตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองซิ่วอยู่แบบสบายสบายไม่เดือดร้อนไม่ดีกว่าวคนอื่นเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาคนจะเป็นเขาก็เป็นคนจะตายเขาก็ตายคนจะดีเขาก็ดีคนจะไม่ดีดเขาก็ไม่ดีเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยแล้วทำไมเราต้องไปเดือดร้อนไปกับเขา เพรใจเราไม่สงบใจเราเหมือนจริงหรีดพอใครก็อะไรมาปั่นหัวหน่อยก็ร้องคิดคิดคิดคิดขึ้น่าต้องทําใจให้สงบแล้วใจจะเย็นใจจะหนักแน่นเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ใ ช, พชใ่พอได้ยินคําชมก็ดีใจพอได้ยินคําด่าก็เสียใจน แสดงว่าใจไม่หนักแน่นถ้าใจหนักแน่นแล้วจะเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยอันเนี้ยความเฉยของใจเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งทําใจให้เฉยแล้วจะมีความสุขไม่จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็มีแล้วมันไม่เฉย มีแล้วมันวุ่นวายมีแล้วก็อยากอยากจะมีไปเรื่อยๆพอไม่มีก็เสียใจงันอยากไปมีอะไรอยาาไปเป็นอะไรอยากไปได้อะไรวิธีที่จะไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรก็ต้องทำใจให้เฉยมาฝึกนั่งสมาธิกันดูลมหายใจเข้าออกไป หรือพุทโธพุทโธไปเราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ต้องปนกันไม่ต้องพุทเข้าโทออกก็ได้ดูลมก็หลับตาแล้วก็ดูลมที่ปลายจมู ก, ห า, ากาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรู้แค่นี้ไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปคิดอะไรหรือถ้าจะใช้พุทโธก็พุทโธพุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้ ่องพุทโธพุทโธไปภายในใจพุทโธนี้ถ้าเราท่องเราสามารถท่องให้มันเร็วขึ้นก็ได้ช้าลงก็ได้แล้วแต่ใจถ้าใจมันร้อนมันวุ่นวายคิดมากก็ให้มันเร็วหน่อยถ้ามันไม่คิดก็ให้มันช้าหน่อยได้แต่ถ้าไปผูกไว้กับลมมันจะช้าเร็วไม่ได้เพราะลมมันจะมันจะไม่เปลี่ยนมันมันจะ ไปของมันตามจังหวะของมันจะไปเร่งมันไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะใช้พุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปดูลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุโทโธจะสบายกว่าถ้าดูลมได้มันสบายกว่าพุโทโธเพราะมันไม่ต้องท่องมันเพียงแต่ดูเฉยๆแต่ท่านดูลมไม่ได้ก็ต้องท่องพุโทโธไปก่อน พ่อมันยังคิดมากอยู่พุโทโธพุโทโธสู้กับความคิดไปแต่ถ้าอยากจะใช้พุทเข้าโทออกก็ได้ไม่ไม่ห้ามเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิธีเดียวพุทเข้าโอกอก็ได้พุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้มีถึงสามวิธีด้วยกันก็สามารถเลือกเอาได้ชอบวิธีไหน นั่งแล้วใจสงบก็เอาวิธีนั้นอแต่จะสงบไม่สงบก่อนจะนั่งก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนต้องหยุดความคิดด้วยการท่องพุโทโธไปเรื่อยๆก่อนหรือถ้าไม่ท่องพุโทโธก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการเดิน วิธีที่จะให้มีสติอยู่กับการเดินก็ต้องไปอยู่ที่มันอน่ากลัวเดินในป่าเนี่ยมันจะคอยดูอยู่เรื่อยๆว่าข้างหน้ามีอะไรหรือเปล่ามันจะไม่กล้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวมีอะไรข้างหน้าจะมองไม่เห็นมองไม่ทันพระท่านชอบไปอยู่ป่าเพราะจะทําให้มีสติใจจะไม่ลอยใจจะไม่ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ เวลาเดร่างกายทำอะไรก็จะเฝ้าดูาการกระทำของร่างกายไปถ้าอย่างนี้เวลานั่งสมาธิก็จะไม่คิดอะไรนั่งสมาธิก็ดูลมไปดูลมไปแล้วไม่คิดอะไรใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขที่ดีกว่าจากการที่ได้อะไรมาได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานอะไร ก็เสือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ใจสงบแล้วก็ไม่หิวไม่อยากสบายอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนใครจะพูดใครจะทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนนี่คือใจของพวกเราที่เราสามารถที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นใจที่หนักแน่นให้ใจนิ่งเฉย แต่ไม่ได้นิ่งเฉยแบบเฉยเมยมีเหตุอะไรให้ทำก็ทำได้มีงานอะไรให้ทำก็ทำแต่ไม่ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยใจที่เย็นสบายอันนี้อย่าไปคิดว่านิ่งเฉยแล้วจะเฉยเมยขี้เกียจไม่ใช่ยังทำอะไรต่างๆได้แต่ทำด้วยใจที่เย็นสบาย ไม่ได้ทำด้วยใจที่รุ่มร้อนไปด้วยความอยากต่างๆพอทำด้วยความอยากพอไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธเสียใจแต่ทำด้วยใจเย็นทำด้วยใจนิ่งทำอะไรได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ดีก็ทาเต็มที่แล้วได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะใจไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ไม่ได้หวังอะไรจากการกระทำ ทำไปเพื่อเหมันเป็นหน้าที่เช่นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หามันมามีอะไรกินก็กินมันไปไม่ได้ต้องไปเรียกว่าจะต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้กินเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ถ้าไม่มีกินมันจะตายก็ให้มันตายไปใจไม่ได้เป็นไม่เดือดร้อนไปกับร่างกายถ้าใจนิ่งเฉยแล้วใจไม่เดือดร้อนกับอะไร ใจไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วร่างกายจะอยู่จะตายก็เท่ากันถ้าใจนิ่งใจสงบนะแต่ถ้าใจไม่นิ่งนี้ใจมันยังต้องพึ่งร่างกายยังต้องให้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปกินไปดื่มพาไปทำอะไรต่างๆพอร่างกายทำไม่ได้ก็เดือดร้อนขึ้นมานี่ถ้าเราทำใจให้นิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมีร่างกายร่างกายตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจไม่นิ่งก็ยังต้องเพิ่งร่างกายอยู่ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปดูต้องไปฟังต้องไปดื่ต้องไปรับประทานต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่พอไม่ได้ทำก็งดหยุดนำคาญใจ แต่ถ้าทําใจให้นิ่งได้แล้วมันจะไม่กดเก็บทําขาดใจไม่มีอะไรทํามันก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะทําก็ทําเพราะต้องทําถ้าไม่มีอะไรต้องทําก็ไม่ทําอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าสบายไม่มีสมบัติไม่มีอะไรอ มีแล้วทุกมีแล้วก็ต้องดูแลสมบัติไปรับสมบัติหายไปก็เสียใจเห็นคนอื่นมีสมบัติมากกว่าก็อยากจะมีมากกว่าเขาถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มแล้วมันก็จะหิวไปเรื่อยอยากไปเรื่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ แต่ถ้าใจสงบแล้วจะไม่หิวไม่อยากไม่มีอะไรก็ไม่หวงไม่ห่วงมันจะหมดก็หมดไปตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีไปหวงไปห่วงทำไมร่างกายนี้อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปใจไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ต้องพึ่งคนนั่นคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจพึ่งตัวเองได้ใจหาความสุขจากตัวเองได้ไม่ต้องหาความสุขจากคนอื่นไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งอื่นไม่ต้องหาความสุขจากร่างกายนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราทําใจให้สงบกันมาฝึกนั่งสมาธิกัน ถ้านั่งแล้วไม่สงบก็แสดงว่ายังหยุดความคิดไม่ได้สติกําลังไม่พอก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก่อนจะนั่งก็คอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันคิดให้มันเฝ้าดูร่างกายไปหรือให้มันท่องพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้พอมันไม่คิดเวลามานั่งมันก็จะสงบ สงบแล้วก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเวลามันออกจากความสงบถ้าเกิดความอยาก mm hmm. ก็ซ้อนใจว่าอย่าไปอยาก mm hmm. อยากแล้วทุกข์อยากเลาอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะไปสูบบุหรี่ก็นั่งไม่ได้ลนะถ้าอยากจะไปกินกาแฟก็นั่งไม่ได้ลนะ mm hmm. แต่ถ้าไม่มีความอยาก mm hmm. ก็นั่งต่อไปได้สบาย ถ้าไปเดิมกาแฟเดิมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มใหม่แล้วเวลาไม่มีดื่มก็จะทุกข์ก็จะเดือดร้อนอีกการไปทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขความสุขได้มาเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหาใหม่ไม่ได้ก็ทุกข์พออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ อย่าอย่าตามตามความอยากปล่อยให้มันอยากไปเราไม่อยากไปทาตามความอยากเดี๋ยวมันก็หายไปเราอยู่เฉยๆล้วกลับมานั่งอยู่ที่ความอยู่กับความสงบความอยากก็จะหายไปแล้วเราก็เย็นสบายต่อไปก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจไม่มีความอยากเราใจก็จะสบาย ความอยากนี่แหละที่พาให้เรามาเกิดกันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันพอฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่ามีร่างกายแล้วก็ต้องเลี้ยงดูไปเหนื่อยวันวันหน่นีเลี้ยงดูร่างกายก็เหนื่อยแล อาบน้ำอาบท่าัน้นหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหาอาหารมารับประทานหลับนอนวันวันหนึ่งก็เวลาครึ่งหนึ่งก็ทาไปกับร่างกายหมดไปกับร่างกายอีกครึ่งหนึ่งก็ไปหมดกับความอยากอยากไป น, นะนู่นมานี่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปเที่ยวที่นี่ชีวิตมันก็เลย ติดพันอยู่กับร่างกายติดพันอยู่กับความอยากพอร่างกายตายไปความอยากยังไม่ตายก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาทาต่อก็มาทุกข์ใหม่ทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการเลี้ยงดูทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความตายถ้ามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้ ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากได้ความอยากก็จะหมดไปใจสงบใจมีความสุขก็ไม่ต้องมีอะไรถ้าไม่มีอะไรไม่มีความอยากได้อะไรใจก็ไม่ก็กลับมา เ, เกิดอีกสบายอยู่แบบไม่มีร่างกายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกตอนนี้ท่านก็อยู่กันแบบนี้ ท่านยังอยู่แต่ท่านอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเพราะว่ามีร่างกายแล้วมันทุกข์ไม่มีมันไม่ทุกข์มีกี่ร่างมันก็ต้องหมดไปได้มาแล้วไม่กี่ปีมันก็ตายไปเอกาไปหาใหม่หามากี่ร่างมันก็ต้องตายไปทุกร่างทู้มไม่หามันไม่ดีกว่าอยู่แบบไม่มีร่างกายได้เรื่องอะไรไปอยู่กับการมีร่างกายทำไม มีร่างกายแล้วมันทุกข์ไม่มีร่างกายแล้วมันไม่ทุกข์เนี่ยนี่แะคือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของภาษาโลอท่านปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วก็ไม่แล้วก็ตัดความอยากถ้ามันอิ่มแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่หิวมันก็ไม่อยากนอกจากเวลามันเผอ มันเธออยากก็อยากไปทําตามเหมือ น, นะถ้าเราไม่ทําตามความอยากเล้๋ยวความอยากมันก็หมดไปเองอือนี่คือเรื่องของทำที่เราเอาติดตัวไปได้ถ้าเราทํายังไม่จบเราก็ไปทําต่อได้พอได้ร่างกายอันใหม่แล้วกัน ถ้านั่งสมาธิได้เราก็ไปนั่งสมาธิต่อรักษาศีลได้ล้วก็รักษาศีลต่อไปถ้าะลาดรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากปัญญาก็ฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากอยากได้อะไรก็ไม่เอาอยากมีอะไรก็ไม่ไม่เอาอยากเป็นอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ ได้มาสุขเดียวเดียวเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจแล้วก็ต้องมากังวลมาห่วงมาหวงกับสิ่งที่ได้มาและเวลามันหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจเวลามันหมดไปนี่คือถ้าเราทำตามความอยากมันจะพาเราไปสู่ความวิตกกังวลไปสู่ความรักความหวงความห่วง ไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจ<ม>กับสิ่งต่างๆดังน<ม>ั้นอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรอย่าไปอยากเป็นอะไร<ม>อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบเนี่ยดีที่สุดอยู่กับความไม่มีอะไรมีแล้วมันทุกข์ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ต้องมีามลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกิ่งร้อย ไม่ต้องมีตาหูจมูกดิ้นกายแล้วจะสบายมีแล้วจะทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราพระพุทธเจ้าท่านพอแล้วท่านไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้น ท่านมีบาลมโสุขมีปรลมังสุขขังนิบานังปรลมังสุขขังท่านไม่ต้องการอะไรจากพวกเรานอกจากให้พวกเรามีความสุขเหมือนท่านเท่านั้นเองท่านมีความสุขมีบรลมโสุขท่านก็อยากให้พวกเรามีบรลมโสุขเหมือนกันเราอยากจะมีบร ม, มสุขเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปมีมากเกินความจําเป็น มีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วก็รักษาสีเนี่ยไปทําบาปทําบาปแล้วใจจะไม่สงบแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้ลวงให้นิ่งแล้วก็จะอิ่มจะพอถ้าเกิดความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากให้รู้ว่าการทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข นี่คือการปฏิบัติบูชาถ้าเราทาไปแล้วต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยไปถ้าพบนิชานนี้ยังไม่สำเร็จเกิดเกิดต่อพบหน้าชาหน้าก็ทำต่อได้เลยไม่ต้องมีใครสอนเพรามันติดเป็นนิสัยไปแต่ถ้าทำจริงๆพบนิชานนี้ก็สำเร็จได้ ภาษาของพระพุทเจ้านี้สําเร็จในชาตินี้กันทั้งนั้นเกิดมาพุบฟังเทศฟังธรรมปุ๊บก็ปฏิบัติตามไม่กี่ปีไม่กี่เดือนก็บรรลุ ก, กันไม่ได้เป็นของสุดวิสัยไม่ได้เป็นของยากเย็นเกินความสามารถของมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นข่ารวร่าวผู้ครองเรือเลยไม่เป็นปัญหาสามารถ ปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็สามารถบรรลุได้กันทุกคนอยู่ที่ะจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตานั้นเองถ้าปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติก็อยากยังไม่ได้ผลการมาฟังเทศฟังธรรมเฉยๆนี่ยังไม่พอยังไม่ได้ปฏิบัตินฟังเทศฟังธรรมเพลงแต่ได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าต้องทําอะไรต้องปฏิบัติอะไร พอรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรขั้นต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติอย่าไปอยากอย่าไปอยากร่ำอยากรวยมีเงินทองเหลือมากเกินไปก็เอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ก็พออย่าเอาเวลาไปหาเงินหาทองเอาเวลามาหาธรรมดีกว่ามาหาศีลธรรมมาหาสมาธิธรรมมาหาปัญญาธรรมกัน ถ้าเป็นผู้ชายออกบวชได้ก็บวชเป็นผู้หญิงไปอยู่วัดเป็นแม่ชีได้ก็ไปเลยจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าเป็นฆลาวาสก็ยังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ก็เวลาจะมีน้อยมีไม่มากไม่พอต่อการปฏิบัติถ้าไม่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเป็นพระไปเป็นชีนี่ก็สบายมีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ถ้าปฏิบัติเต็มที่ผลก็จะมาเร็วถ้าปฏิบัติไม่เต็มที่ผลก็จะมาชา้าอาจจะไม่ทันการตายอาจจะตายก่อนสําเร็จแต่ถ้าปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่รับรองได้ว่าต้องสําเร็จก่อนตายกันยภาษาพวกทั้งหลายนี่ท่านสําเร็จก่อนตายทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สําเร็จก่อนตายพระพุทธเจ้าสําเร็จตั้งแต่อายุสามสิบห้าปี ออกบวชอายุยีบเก้าบุปฏิบัติหกปีก็สําเร็จภาษาวกก็เหมือนกันบางคนก็หลายปีบางคนก็ไม่หลายปีอต่สาเร็จกันในภพนี้ชาตินี้กันเท่านั้นถ้าปฏิบัติกันอย่างเต็มที่กาละวานี้ไม่ค่อยสําเร็จกันสําเร็จน้อยกว่าเพราะกาละวานไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่บางคน ช่วนี้ไม่ต้องทํางานทําการโโ Palm, าการ็มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ก็ <construction> สําเร็จได้ <IN> การสําเร็จไม่ได้อยู่ว่าเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ว่าปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติดีหรือไม่ปฏิบัติดีเ อ, อยู่ที่ปฏิบัติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติต้องนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติจะปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีปฏิบัติที่ดีวิธีที่ปฏิบัติถูกต้องเป็นอย่างไรก็ต้องไปอยู่กับคู่บาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านก็นจะสอนวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เราเอาไปปฏิบัติตามเราก็จะได้ผลถ้าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้ผลยังต้องเรียนก่อนต้องศึกษาก่อนต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนพอได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร พอนํามาไปปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างรวดเร็วนี่คือการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาด้วยการปฏิบัตินน้อมถวายกายวาจาใจให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วประโยชน์สุการยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นกับเราพระพุทธเจา้าพระอาหารหันตสาวทั้งหลายท่านก็จะดีใจไปกับเราที่เห็นเราได้มีความสุขเหมือนกับท่านเหมือนนุ่นพี่ที่เรียนจบแล้วคอยต้อนรับนุ่นน้องพอรุ่นน้องเรียนจบรุ่นพี่ก็ดีใจแสดงความยินดีแต่รุ่นพี่ไม่สามารถเรียนแทนรุ่นน้องได้ มีแต่คอยเชียร์คอยบอกวิธีเรียนลูกน้องต้องพยายามเรียนกันเองถ้าพยายามสุดสุดสุดแล้วมันก็ต้องได้มีความสามารถเท่าไหร่ทุ่มไปให้หมดเลยไม่ต้องห่วงมีกำลังที่จะปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ปฏิบัติไปเลยบางองค์ท่านแบบไม่นอนเลยไม่ยอมเอนหลังปฏิบัติสามียาบท เดินยืนกับนั่งไม่นอนนอนแล้วเสียเวลาไม่อยากจะเสียเวลากับการหลับนอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งนี้มันจะได้หลับไม่นานหลับแค่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เตยแล้วพอเตย ข, ขึ้นมาก็ลุยต่อปฏิบัติต่อเนี่ยมันถึงไปได้เร็วต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทุ่มกําลัง ที่มีอยู่ให้กับการทำแบบปฏิบัติทั้งกำลังกายทั้งนำใจไม่ไปเสียเวลากับภารกิจอย่างอื่นไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเอาแต่เรื่องการปฏิบัตินี้เรื่องปฏิบัติบูชานี้เป็นวิธีที่บูชาที่ดีที่สุดดีกว่าไปทอดกระถินไปถวายสังฆทานอันนั้นบูชาแต่บูชาเล็กๆน้อยๆ ไม่เท่ากับไม่เหมือนกับกบูชาแบบปฏิบัติบูบชาปฏิบัติอศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติที่เข้มขน้นแต่ก่อนจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ก็ต้องถวายทานก่อนต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีเงินทองมากน้อยถ้าสละได้ก็ไปบวชได้ ถ้าไปบวชได้ก็จะได้ไปปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มเต็มเต็มรูปแบบเต็มที่พอได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เดี๋ยวผลมันก็เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่เป็นคารวะก็ปฏิบัติได้แต่มันมันจะไม่มีเวลามากพอถ้าเป็นนักบวชนี่มันจะไม่ต้องมีภารกิจอย่างอื่น สามารถทุ่มให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยเลยไม่ต้องไปทำงานอย่างอื่นถ้าทำงานอย่างอื่นมันก็เวลามาปฏิบัติมันก็ต้องแบ่งกันไปเวลาปฏิบัติก็น้อยลงอาจจะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไปไปทำงานอย่าง ας, อื่นครึ่งมาปฏิบัติมันก็จะยากเพราะเวลาไปทำงานอย่างอื่นมันก็ไปสร้างขวาก้ําให้กับการปฏิบัติ ต้องไปคิดปรุงแต่งก่อจะมาปฏิบัติกว่าจะหยุดความคิดปรงแต่งได้ก็เหนื่อยคนปฏิบัติจริงไม่นิยมไปทําภารกิจอย่างอื่นเพราะทําแล้วมันมาขัดขวางการปฏิบัติเป็นขวาน้ําทําให้การปฏิบัติยากและล่าช้าถ้าไม่ไปทํางานอย่างอื่นมันก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เรื่องงานเรื่องการ มันก็ทำใจให้สงบได้ง่ายได้เร็วงั้นถ้าอยากจะไปทางนี้ก็เอามันเต็มที่เลยดีกว่าอยากไปรักพี่เสียดายเนาะเงินทองงานการก็เสียดายมรรคผลนิพพานก็อยากได้ทำไปทามาไม่ได้สักอย่างมักผลนิพพานก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เ้าของเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้ ต่เอาของที่เอาไปไม่ได้ทำไมโยนทิ้งไปไม่ดีกว่านะเอาของที่เราติดตัวไปได้เอามรรคผลนิพพานติดตัวไปได้มาทุ่มเทชีวิตให้กับมรรคผลนิพพานดีกว่าอย่าไปทุ่มเทเวลาให้กับลาบยศสรรตเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเลยจะเสียเวลาจะทาให้ไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไป ตายไปายะลาบยศสรรเสริญก็ไปไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ไม่มีก็เอาไปก็ไม่มีไปด้วยเพราะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ผลนเห็ถ้าอยากจะไปทางนี้ก็ต้องเอาทางใดทางหนึ่งจะดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ไปก็พยายามไว้ตั้งเป้าว่าต้องไปทางนี้พยายามลดการ ง, งานต่างๆให้มันน้อยลงไป พยายามพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆให้มันน้อยลงไปแล้วพอปฏิบัติทางนี้ได้มีกำลังมากพอเดี๋ยมันก็ไปได้เลยคืออยู่ดีๆจะไปเลิกจะไปทิ้งบ้านทิ้งช่างแล้วไปบวชทันทีนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันคิดได้แต่มันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีกำลังกำลังปล่อยไม่มี กำลังที่จะไปปฏิบัติก็ไม่มีไปบวชแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ปฏิบัติมาก่อนก็ปฏิบัติไม่ได้พอไม่ได้ปฏิบัติเดี๋ยวก็อยากจะกลับไปทำงานอยากกลับไปหาลูกเมียอยากกลับไปหาสามีเนี่ยมันต้องตัดให้ได้ก่อนมันต้องปฏิบัติให้ได้ถึงระดับหนึ่งที่ตัดเรื่องราวต่างๆได้ต้องปฏิบัติ เป็นแล้วถึงไปบวชถึงจะดีถ้ายังปฏิบัติไม่เป็นไปบวชนี่มันก็มันก็จะไม่มีกำลังพอเดี๋ยวก็ถูกความอยากถูกกิเลสตั้นหาเืองกลับไปหาลาบยศสนเสริญใหม่เดินทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การทุ่มเทเวลาเวลาของเราให้กับการปฏิบัติ ถ้าเราเป็นค า, า, ารวะก็มีเวลาว่างก็ให้กับการปฏิบัติไปอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นอย่าไปกินไปดื่มไปหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายเวลาที่ไม่ต้องทํางานมีเวลาว่างก็เอามาปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติเดี๋ยวมันมีกําลังพอมันก็จะไปได้เองถ้ายังไม่ปฏิบตัติมันจะไม่มีกําลังที่จะไปได้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมา ให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแนละ้วแล้วสิ่งต่างๆที่เรามาอยู่ความสุขที่เรามาอยู่มีขณะนี้มันก็จะหายไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้นแต่ความสุขที่ได้จากการปฏิบัตินี้มันจะอยู่กับเราอยู่กับใจของเรามันจะไปกับเรามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายตายไปความสุขที่เราได้ในใจก็ยังอยู่กับเราต่อไปเราจะมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะอาความสุขทางร่างกายก็เอาเวลามาหาความสุขทางจิตใจดีกว่าเพราะความสุขทางร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปตามสภาพของร่างกาย ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายความสุขที่ใช้ร่างกายหาก็ไม่สามารถหาได้แล้วแต่ถ้าเราหาความสุขทางใจได้ร่างกายเป็นอะไรเราก็ยังมีความสุขได้ความสุขนี้สาคัญนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นของเล่นเนเวลาไม่มีความสุขนี้รู้สึกไงเบื่อหน่ายไหยเวลาที่มีความทุกข์นีอยากจะฆ่าตัวตายกันหรือเปล่า นพอเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์กันปล่อยชอบไปสร้างความทุกข์กันโดยคิดว่าเป็นความสุขแล้วการไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์กันไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขพอเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญ ส, ส, ส, สูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปก็ร้องห่มร้องไห้าเศร้าโศกเสียใจกัน แต่ถ้าหาทำแล้วจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันเสียไม่มีวันหมดเพราะถ้าเราหาได้เราก็จะรักษาได้รักษาได้เราก็จะไม่มีวันเสียมันไปความสุขทางใจจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขทางร่างกายเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะทำให้เราหายหลงหายหายหายอยากจากการหาความสุขทางร่างกายเลื่อที่เราจะได้มาหาความสุขทางจิตใจมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมกันใครเยี่ยวสายกูอีกแล้ววันนี้โชคดี ยิงจกหึือตกแกเป็นปัสสวะใสไม่เป็นไรแล้วทั้งนั้นลงมาที่มือเลยก็ดีไม่ตั้งเสร็จแล้วเอาเงี้ก็จะให้พอนะมันบอกว่าพอแนละ้วพูดมาก ยะถาวะริกวาหาปุราปะริกุเรติสาคหลเอวเมวะอิโตทิน ah e ังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุงหังกกปาเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยทามณิจตดิหราโสยทาสัพีติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทิขายุโกภวะ อาพิวาธนสีดิศะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรมมวะทานติอายุวันุสุขังภาลาวมีอะ ไ, ไรอยากจะถามไหมพอออ่อไม่ออกอืม เอาได้ได้ต้องถ้าถอยตอนเช้าก็ต้องมาไปตอนเจ็ดโมงครึ้นะอนที่พระเขาจะฉันกันที่ศาลากลับจากบินตบาทประมาณเจ็ดเมงคึอย่างนี้ออกบินตบาทหกโมง ส, สิบห้าบินตบาทเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงสิบห้า กลับวัดก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะเริ่มฐานก็ประมาณแปดโมงช่วงนั้นถ้าอยากจะถวายสักรท า, านถวายอาหารก็ถวายช่วงเจ็ดโมงครึ่งตอนบ่ายก็ไม่มีอาหารมีแต่เนี่ยข้าวของ อยากได้หนังสือไปอ่นก็มาหยิบเอานะหยิบเอาเองถ้าอยากจะได้ก็หยิบเอาเดินไปเลยครับไม่ต้องเดินข้ามเลยไม่ไปครับเพื่อปาเ้าได้เลยต้องสาม เลี้ย ง, งแมวน้นหนักนะเลเ้ยมน้อยๆก่อนเอาไวายของเชิญได้เลยครับเชได้เลยครับาวางไวระมัณ น, นะครับพัฒ น, นาใบกอนาถวายได้ Okay. Okay. Okay. Okay. k y o k บ้านอยู่ที่ไหนพี่นอนมาทำอะไรทางนี้นะทำยังไงมาต่เ น, นี่งงนยทำที่โรงแรมนะไม่ครับอยู่ในตึกลูกอ่าีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่สาสงสัยอะไรก็ถามได้นะ คำ ถ, ถามตรงนี้ก็จะให้ทางบ้านโทนี่วันนี้เขาา้ไาไหครับผมมาครับคำถามจากทางกลุ่มไลน์นะครับคำถามจากคุณญิงนะครับการขอคำแนะนำท่านอาจารย์ในการอบรมเด็กอายุย่างหกขวบเจ้าค่ะจะอธิบายเด็กอย่างไรข้อที่หนึ่งหากเด็กมักพูดตาหนิเพื่อนที่โรงเรียน ให้คุณแม่ฟังบ่อยๆเมื่อกลับจากที่โรงเรียนแล้วเด็กมันก็พูดไปตามประสานเด็กแล้วอย่าไปกังวลกับมันมากเลยสอนให้รู้ผิดถูกดีชั่วไปก่อนอข้อที่สองเด็กกลัวความผิดจึงไม่กล้าพูดความจริงแต่จะพูดแก้ตัวเช่นบอกว่าลืมที่จริงอาจจะไม่ลืมหรือบางครั้ง พูดโกหกก็ <seva> บอกก็ว่าโกหกไม่ดีนะโกหกแล้วมันทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีเครดิตพูดอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อสมัยสมัยก่อนก็มีนิทานอิศบให้สอนเด็กเนี่ยเด็กเลี้ยงแกะถ้าเราพูดโกหกแล้วเวลาต่อไปเวลาเราต้องการช่วยเหลือแล้วเราขอความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครเชื่อว่าเราต้องการความช่วยเหลือ เราต้องพันพูดความจริงแล้วคำพูดของเราจะได้ศักดิ์สิทธิ์คนฟังแล้วก็จะเชื่อยืมเงินแล้วก็ต้องคืนเขาถ้าคืนเขาข้างหน้าอยากจะยืมอีกก็ยืมได้ถ้ายืมแล้วไม่คืนเขาขางหน้าเขาก็ไม่ให้ยืมอีกเพราะโกหกนัโกหกไม่ดีโกหกจะทำให้เราเสียเครดิตจะทำให้ไม่มีใครเชื่อเรา ถ้าต่อไปเราก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่เขาจะคบค้าสมาคมด้วยคําถามจากคุณปุณรับนะครับถามเรื่องธาตุรู้คืออะไรคะก็คือจิตนไงจิตนี่เราเรียกว่าเป็นธาตุรู้เราเรียกว่าจิตนร่างกายนี้ก็เป็นธาตุดินน้นําำลมไฟมีสอง ชีวิตเรานี่มีสองส่วนมีธาตุดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุดินน้ำลมไฟส่วนจิตนี่เป็นธาตุรู้ที่ไม่ต้องรวมเป็นธาตุรู้ที่คิดที่ที่คิดที่รู้ที่ใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี่ก็คือดธาตุรู้เป็นผู้สั่งธาตุรู้คือจิต ทารู้นิคิดได้มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะได้อะไรก็สั่งให้ร่างกายไปเอามาอยากจะได้แฟนก็ให้ไปหาแฟนมาอยากจะได้ขนมก็ไปหาขนมมาใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เปีดเป็นคนสั่งทารู้เป็นคนสั่ง คำถามจากคุณโทมี่นะครับเมื่อนั่งสมาธิกายหายบ่อยๆหูดับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากถอนสมาธิอีกทีผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สนาทีเป็นอยู่บ่อยครั้งมีสติรู้ตื่นไม่ได้หลับคะ่ะเมื่อออกจากสมาธิก็เข้านอนปกติช่วงหลังๆเวลานั่งที่ไหนนิ่งๆจะรู้สึกว่าในจุดที่จิตตั้งอยู่ ท้องน้อยบริเวณใกล้สะดือจะรู้สึกเย็นเย็นสบายสบายบางครั้งมีอาการชาขนลุกตึงๆบางครั้งก็เปลี่ยนจุดชาไปที่เท้าบ้างค่ะสังเกตบ่อยๆโดยปกติร่างกายแข็งแรงดีค่ะหนูขอเดียนถามว่าดำเนินมาถูกต้องหรือไม่คะจะต้องพัฒนาภาวนาหรือก้าขายเช่นไรในขั้นต่อไป ก็มันอยู่ที่ว่ามันสงบแล้วมีความสุขหรือเปล่าถ้ามันสงบแล้วมันไม่สุขก็ยังไม่ใช่ความสงบจริงถ้าเป็นความสงบจริงมันจะสุขมากแลวมันจะมีความยินดีกับการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่เจอความสุขก็ยังแสดงว่ายังไม่สงบจริงงั้นก็ต้องดูตรงนั้นดูที่ความสุขใจที่เกิดขึ้น มันถ้ามันสงบจริงนี่มันจะสุขใจเบา อ, อกเบาใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าได้เงินไ ด, ได้ได้ดีกว่าถูกออตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคือความสุขที่จะได้จากความสงบมันต้องแปลกประหลาดมหัสรารใจนั่นลหละถึงจะเรียกว่าสงบจริงแล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วมันอยากจะได้ความสงบเพียงอย่างเดียว มีอะไรตอนนั้นก็อยากจะเลิกอยากจะทิ้งไปหมดอยากจะเอาเวลามาสร้างความสงบมาสร้างความสุขแบบนี้นนั่งไปแล้วถ้ายังไม่ร้องอ๋อยังไม่ดี อ, อกดีใจกับผลนี่ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่เป็นความสงบที่แท้จริงถ้าได้อันนี้แล้วมันอยากจะปฏิบัติมากเพิ่มมากขึ้นทำงานมันก็อยากจะลาออกจากงาน มีสามีมีภรรยาก็อยากจะอย่าอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากไปหาความสงบเพราะรู้ว่าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากกันอยู่ดีสู้ตายสู้จากกันตอนนี้ดีกว่าเพื่อจะได้มีเวลาไปสร้างความสงบให้มากขึ้นดีกว่าอยู่ด้วยกันแล้วได้ความสุขที่สู้ความสงบไปได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องหย่ากันตายจากกันอยู่ดีคนที่พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วจะ พร้อมที่จะเลิกพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมดแม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็ยินดีที่จะให้มันตายไปยิงไม่กลัวกลัวความทุกข์ยากลำบากคนที่มีความสงบได้ความสงบแล้วจะไม่กังวลกันเรื่องความทุกข์ยากลำบากของร่างกายที่ไหนที่มันสงบที่มันทำให้จิตสงบนี่มันไปได้มันไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากทางร่างกาย คำถามจากคุณนันทิกาแม่หนูสนใจแต่นั่งสมาธิไม่ฟังธรรมไม่อ่านธรรมจะโน้มใจแม่อย่างไรดีคะเพราะท่านเริ่มจากอัลไซเมอร์นิดๆแล้วท่านยังยึดติดกับทรัพย์มากคะ่ะก็คุณโน้มใจตัวของเนยแค่ได้ก่อนเฮะก่อนที่ไปโน้มใจตัวคนอื่นตัวคุณนองก็ยังติดอยู่ว่า คำถามจากคุณตายทำสมาธิแล้วเห็นแสงสีม่วงพยายามไม่สนใจจับที่พุทโธอยู่กับลมหายใจสักระยะหนึ่งเหมือนไม่มีร่างกายอยู่ในห้องโล่งๆว่างๆพยายามกลับมาพุทโธแต่จับลมหายใจแต่เหมือนไม่มีลมหายใจทาให้ตกใจกลับมาอยู่กับร่างกายเหมือนเดิม ขณะรู้สึกว่าไม่มีร่างกายจับลมหายใจให้ประคองใจอย่างไรจึงจะไม่ตกใจคะใครรู้เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้ไปรู้ตามความเป็นจริงมันเป็นมีอะไรให้รู้ก็รู้ไปทางที่ดีควรจะรู้อยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธจะดีกว่าไม่คนที่จะไปรู้กับเรื่องอย่างอื่นให้อยู่กับพุโทโธไปจนกว่ามันจะสงบตัวแล้วพุโทโธอยูุ่ดหายไปเอง ถ้ายังพูดโธได้ก็พูดโธรต่อไปคําถามจากคุณกมวลรัตน์ข้อที่หนึ่งการรู้ลมหายใจที่ถูกต้องต้องทําอย่างไรก็รู้เข้ารู้ออกไงตอนนี้หายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าตอนนี้หายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกให้รู้ไปอย่างนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวอย่าไปรู้กับเรื่องอย่างอื่น อย่าไปรู้เรื่องขนมนมเนยอย่าไปรู้เรื่องทีวีละครอย่าไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องของลมเพลงอย่างเดียวเจ็ตถึงจะสงบได้ถ้าไปรู้เรื่องขนมนมเนยเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่อยากนั่งต่ออยากจะลุกขึ้นไปหาขนมกินข้อที่สองการที่เรารับขึ้นความคิดของคนได้ เช่น <_ an> คนที่เขาคิดถึงนั่งสมาธิตัวตรงไปร่างกายผู้ที่รับขึ้นก็ตรงตามนั้นจะแก้ไขอย่างไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไป <_ an> ข้อที่สามจับอาการข้อที่สองจะทําอย่างไรให้จิตรวมลงเป็นสมาธิได้คะก็ต้องอยู่กับพุทธโธอย่าไปสนใจกับเรื่องอย่างอื่น ถ้ามันไม่อยู่กับพุโทโธแล้วไม่อยู่กับลมนั้นก็จะนวมไม่ได้ว่ามันนัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคำ ถ, ถามจากคุณกมลทิพย์หนูตั้งใจจะนั่งสมาธิสามสิบนาทีค่ะแล้วเป็นตะคิวที่ขาขาชามากเลยค่ะควรจะทํานั่งต่อไปไหมคะนั่งได้ก็นั่งไปช่างมันมันจะเป็นตะคิวมันจะเป็นอะไรกับเรื่องของมัน เราก็นั่งของเราไปคำถามจะคุณนิทานทำจากทาง YouTube นะครับจิตบังคับได้ไหมดูเหมือนว่ามันไม่ใช้เราจะห้ามไม่ให้คิดมันก็คิดถ้าขาดสติไปข่มแล้วก็จะทำให้คิดอยู่เรื่อยๆไปถ้าจิตสงบในสมาธิไม่คิดอะไรแต่ออกมาจิตก็ ก, กลับมาคิดอีก ก็หยุดมันได้งไงถ้าเรามีสติก็หยุดมันเราก็พุทโธพุทโธไปมันคิดเราก็พุทโธพุทโธไปถ้าเราหยุดเราหยุดพุทโธมันก็คิดต่อไปเหมือนรถที่มันไหลลงเขาถ้าเราเหยียบเบรกมันก็หยุดถ้าเราปล่อยเบรกมันก็ไหลต่อคิดก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาเนี่ยถ้าไม่เหยียบเบรกมันก็จะคิดไปเรืเร่อยๆพอเราเหยียบเบรกพอเราใช้สติใช้พุทโธมันก็จะหยุดคิด เราต้องขยานพุโทโธถ้าเราต้องการให้จิตมันหยุดคิดคำถามจากคุณวรัยพรบ้านของดิฉันอยู่กรุงเทพแต่ได้ขับรถไปใส่บาททําบุญที่วัดเขาใหญ่ทุกสัปดาห์หลวงปู่อุทัยท่านเมตตาสอนสอนสมาธิให้ทำให้ดิฉันและลูกชายอายุเก้าขวบและสามีชอบมาก อยากเรียนถามว่าการที่เราไปเขาใหญ่ทุกสัปดาห์นี้มากเกินไปหรือเปล่าคะเพราะญาติๆและเพื่อนๆบอกว่ามากไปค่ะอ๋อน้อยไปต้องไปทุกวันนะไปยบาททุกวันนะคำถามจากคุณพัชชาลาเรื่องปฏิจจสมุติประบาทเป็นกระบวนการของการเกิดทุกการดับของทุกเริ่มจากอวิชชาหรือไม่คะ ทุกข์มันเกิดจากเอาวิชาความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสตาหเจ้ากมันก็เลยออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วมันก็ติดพอมันไม่ได้เสพมันก็ทุกข์เหมือนคนที่หลงคิดว่ายาเสพติดดีพอไม่เสพแล้วมันก็เวลาได้เสพมันก็สุขพอเวลาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์ขึ้นมาคนที่ไม่ติดยาเสพติดก็จะไม่ทุกข์กับยาเสพติด เพราะคนคนที่ไม่เสพยารู้ว่ามันเป็นทุกข์ถึงไม่ไปเสพกันอวิชาก็คือความไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรไม่เป็นทุกข์อวิชามันไม่รู้ว่าความทุกข์อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันคิดว่าเป็นความสุขแล้วมันก็ติดพอติดได้เวลาไม่ได้เสพมันก็จะทุกข์คนที่มีปัญญาเขาก็ไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็ไม่ทุกข์ เวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพเขาก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ติดยาเสพติดเขาก็ไม่ทุกข์เวลาไม่มียาเสพติดนั่นมันกปันกระบวนการของความหลงที่จะพาให้จิตคิดถึงสิ่งที่อยา ก, ยากจะเสพพอมีวิชาคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะคิดหารูปเสียงกลิ่นรสกันแล้วพอมันด้านมันก็จะามาเสพกัน ไปดูละครกันไปฟังคอนเสิร์ตกันแล้วพอวันไหนไม่มีเงินไปเที่ยวไม่ไปดูไปฟังก็ทุกกันอยู่บ้านก็นหงุดหงิด ต, ตาคาใจเถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าการทําตามความอยากนี่เป็นทุกข์ไม่ให้ไปทําตามความอยากถ้ามีปัญญาเพื่อให้มาหยุดความหลงความหลงไม่รู้ว่าการทําตามความอยากนี่เป็นทุกข์ การไปหาความสุขนอกใจนี้เป็นทุกข์ความสุขในใจนี้ดีกว่าไม่เอากันความสุขที่เกิดจากการอยู่เฉยๆความสุขที่หยุดการแสวงหาสิ่งต่างๆอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงกับไม่ไม่หากันไม่ทากันชอบไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์กันความสุขที่เป็นสุขไม่เอากันความสุขที่เป็นสุขก็คือความสงบนี้ไม่เอากัน เกาไปหาความสุขที่เป็นทุกข์กันคือรูปเสียงกลิน่นรสราบยศสรรเสริญต่างๆเอาได้มาแล้วก็ต้องทุกข์ทุกเพราะรักเพราะห่วงเพราะหว ง, หวงทุกข์เพราะสูญเสียมันมีแต่ความทุกข์ตามมาคาถามจากคุณนุชนะัทรบกวนพระอาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหินพระธาตที่เสด็จมาเองด้วยค่ะอ๋อเราไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นไม่เคยพบ ไม่เคยสนใจพระธาตุจะมีจะมาไม่มีมันไม่ได้ทําให้เรากิเลสเราตายหรอกกิเลสจะตายได้ก็ต้องเกิดจากศีลสมาธิปัญญาเท่ั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่อง พ, พระทุกพระธาตุหรอกถ้ามีก็ดีถ้าได้เห็นก็กราบไหว้บูชาไปตามใค้รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเราจะได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ใช่เป็นของปลอมไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายคนแต่งขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นขวาจริงปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลปฏิบัติแล้วก็จะได้เป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมานี่คือหน้าที่ของพระธาตุมีเท่านี้เพื่อเสริมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้แน่นแฟน้นเพื่อให้เรามีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปมีเท่านี้ส่วนประเทศพระธาตุจะมาเองจะไม่มาเองอย่างวันนี้ก็มาเนี่ยไม่ได้ ไม่รู้ใครพามาเทวดาส่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบางทีถ้ามาไม่เจอพระก็มาวางไว้เฉยๆพระมาดูเห็นก็ตกใจให้พระธาตุมาได้อย่างไรเนี่อย่าไปกังวลกันเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจพระธาตุจะมาพระธาตุจะหายไปก็เรื่องธรรมดาเหมือนกับเงินทองบางทีอยู่ดีๆมันก็มาอยู่ดีๆมันก็ไปได้หายได้อยู่ดีด คนคิดถึงเราก็ส่งเงินมาให้เราใช้ก็ได้เพรฉั้นอย่าไปตื่นเต้นกับการมากันไปกับเข้าของต่างๆพระาธาตุก็เป็นวัตถุเป็นธาตุเป็นาธาตุดินนะเพ็นงแต่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมายืนยันให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงนะและคำสอนของ ท, ท่านก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราปฏิบัติตามได้เราก็จะได้พบกับพระอริยสงสาวก จะได้เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาให้เชื่อแค่นี้พอเราจะได้มีกําลังใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคําสอนแล้วพอเราปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ได้เป็นพระอริยสงสาวกกันคําถามจากคุณสู้ไม่ถอยกระผมมีนิสัยชอบสอนทำคนอื่นทั้งทั้งที่รู้น้อยการปฏิบัติก็ถือว่าน้อยแต่นิสัยประเภทนี้ ตัวเองก็ทราบว่าตัวเองกําลังจะทําอะไรจึงนําออกเฉพาะยากตัวเองและคนที่อยากไปในธรรมเราจึงจะนำธรรมออกชี้แจงให้คนนั้นฟังขณะนำธรรมออกจะรู้สึกใจจะพองตัวแต่ใจนึงก็บอกว่าอย่านําออกซูม4สี่ซูมหเพราะยังไม่ถึงขั้นอยากทราบว่าควรหยุดนำธรรมออกเลหรือไม่ครับควรจะสารตัวเองก่อนนะ สอนตัวเองให้สำเร็จก่อนเมื่อสำเร็จแล้วจากจะไปสอนกายไม่มีปัญหาอะไรถ้าตัวเองยังสอนตัวเองไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาสอนคนอนะื่นคำถามจากคุณวรลัยพรลูกชายอายุเก้าขวบสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนมีครั้งหนึ่งลูกชายบอกว่าจิตสงบมากจนพุทโธหายไปลมหายใจก็หายไปด้วย ลูกชายบอกว่าจิตสงบละเอียดมากและมีความสุขมากแต่หลังจากครั้งนั้นแล้วจิตลูกชายยังไม่รวมยังไม่รวมลงแบบเดิมได้อีกลูกชายถามว่าต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ <c oughs> ทำเหมือนตอนนั้นเลยตอนนั้นเคยทำยังไงให้มันรวมก็ทำแบบนั้นไปคำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณเชรันนะครับมาแล้วเชรัน <c oughs> อาจารย์เ e น y ูฟิล e l tired Of keeping up responsibilities and find difficult, you let go. But t s t issue is that tomorrow we need to face it once again. And what you r a d v i c e is, i t once again let go, try to reduce your responsibility down gradually. Try to live without having so many things to. Will be responsible for. Try to live simple. Uh, try to live like a beggar. Uh, then you won't have too much responsibility. Just live with the four basic requirement of life, the basic requisite of life. Having food, shelter, clothing, and medicine. That's all you need to have. The other things you can throw them away. You don't really need them. You will be better off because then there will there will be no no responsibility except for uh, keeping your body alive. You don't have to worry about buying a car, buying a house, buying telephone, buying all sorts of things. Just try to live simple. Small is beautiful. The less you have, the less responsibility you have to to worry, to worry, to fulfill. ต uh, oh, uh ่อไปคำถามจากคุณนรินทร์พรเคยเห็นและได้ยินบางคนที่เป็นนักจิตได้สำนึกเขาเปิดคอร์สและสอนบอกให้มองทุกอย่างเป็นบวกแล้วจะดึงดูดสิ่งบวกๆเงินทองเข้ามาตามที่เราคิดและส่งจิตออกไป ต่างอย่างไรกับคำสอนที่แท้จริงคะคำสอนที่แท้จริงคือมันไม่มีอะไรบวกมันมีทั้งบวกทั้งลบของทุกอย่างมันมาคู่กันได้มาก็ต้องเสียไปเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าไปคิดว่าเกิดเกิดอยู่ด้วยเนี่ยมันนมันจะไม่ตายหรือเปล่ามันก็ต้องตายอยู่ดีถ้าจะไปคิดว่ารวย้วยมันคิดว่าจะไม่จน เ, ลเวลาตายมันก็จนเวลาตายมันก็หมดอยู่ดี แกนเป็นความหลงความหลอกตัวเองเป็นความหลอกคนโง่ที่จะหาเงินจากคนโง่ที่ไปไปฟังเพราะเวลาไปฟังเขาสอนก็ต้องเสียเงินให้เขาไอ้คนสอนอนะ่ะมันคิดบวกมันได้แ น, น่แต่ไคนโง่นะมันมีแต่เสียเสียเงินแล้วเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรไปคิดบวกมันก็ไม่ได้อะไรของของมันจะได้มันต้องเกิดจากการหาสแสวงหามันถึงจะได้ อยากจะได้เงินทองมานั่งคิดบวกมันเดี๋ยวเงินมันจะมาเองนะอยู่ดีๆเงินในธนาคารมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเท่าร้อยเท่ากปล่าถ้าเราคิดบวกมันไม่ขึ้นหรอกมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปขายขนมนี่ขายขนมกําไรก็เาเงินนไปฝากธนาคารอยู่แล้เดี๋ยวมันก็เพิ่มขึ้นมาเองไม่ใช่มานั่งคิดบวกคิดบวกแล้วเงินมันจะเพิ่มขึ้นมาได้ไงมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่การกระทําของเรา เราต้องหาวิธีที่จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อให้มันเกิดรายได้เพราะเราทำแล้วเกิดรายได้มันก็ร่ำรวยขึ้นมาได้มหมาเศรษฐีที่เป็นอยู่วันนี้เมื่อก่อนเขาก็มีเสื้อใบหมอนใบทำไมเขาสามารถเป็นมหมาเศรษฐีขึ้นมาได้เพราะเขาไม่ได้นั่งคิดเฉยๆเขาไม่นั่ ง, น, งนั่งคิดบวกเฉยๆเขาขยันทำงานปีหนึ่งนี้หยุดแค่สามวันต้องุ่จีน วันอื่นก็ทํามันทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยปิดร้านใช่ไหมร้านคนจีนนี่เขามีปิดใหมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีปิดหรอกบ่ายมันทุกวันปิดมันก็แค่เฉพาะตุกดีนเท่าน้นเวลาจะใช้เงินมันก็เลยมีน้อยมีแต่เวลาหาเงินงินมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นสิแต่พวกเรานี่มันวันหยุดมากกว่าวันทํางานไงวันใช้เงินมันมากกว่าวันหางานหาเงินมันก็ไม่มีใครรวยกันสักคน มันไม่ได้อยู่ที่ความคิดที่มันอยู่ที่การกระทําถ้าอยู่ต้องคิดคิดให้ถูกดังนั้นเงคิดว่าต้องวิธีที่จะทําให้เงินเพิ่มนี้ทําอย่างไรพอรู้แล้วก็ทําไปตามที่เราคิดไม่ใช่นั่งคิดเฉยๆแล้วมันจะมาเองไม่มีวันที่จะมาได้คิดบวกให้คิดยังไงถามจริงอะคิดว่าพรุ่งนี้จะได้ต้องได้ร้อยล้านอย่างนี้เหรอนี่เรื่อคิดบวกก็ว่าแต่ถ้าพรุ่งนี้มันไม่มาจะทําไงก็ต้องคิดต่อไปสิ งนอนี้ก็ไม่มาอีกมันต้องคิดว่าวิธีที่จะทำให้เงินมันมามาอย่างไรไต้องทำหากินค้าขายซื้อมาขายไปหรือมีบริการอะไรที่คนก็ยินดีที่มาใช้บริการของเราเป็นหมอนวดอย่างนี้นวดไปเดี๋ยวก็มีคนมาหรือเป็นคนที่มาเปิดสัมมนาสอนให้คนคิดทางบวกพวกนี้รวยได้เพะ เขารู้จักวิธีหาเงินเขาก็คิดว่าวิธีหาเงินก็คือมานั่งหลอกให้คนที่โง่นี่ให้มันมานั่งคิดเนี่ยเอาเงินจ่ายพวกที่อยากได้เงินแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรให้เพียงแต่คิดบวกอย่างเดียวนี <c oughs> วมันเหตุมันมีเหตุคือการกระทำผลมันถึงจะเกิดขึ้นความคิดก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ไม่พอต้องคิดแล้วต้องทำด้วยทำทางร่างกาย คาถามจากคุณวิรัตทำไมจิตไม่รวมหรือรวมยากมากครับมีวิธีแนวทางปฏิบัติหรือเปล่าครับเพราะไม่มีสติคอยกากับความคิดไงคอยหยุดความคิดมันก็ไม่รวมจิตคิดมันก็เหมือนรถที่ไม่รถที่ยังวิ่งอยู่มันก็ไม่หยุดเนี่ยแต่อยากใช้รถหยุดก็ต้องคอยเหยียบเบรกเหยียบเบรกแลเดี๋ยวรถมันก็หยุดเอง ถ้าอยากจะหยุดให้จิตนวมก็ต้องหยุดความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้คิดพอมไม่คิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมคํ <c oughs> าถามจากคุณการทาวัดเช้าแล้วทําวัดเย็นต่อเลยได้ไหมครับได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็ได้มันเป็นเรื่องของการสวดมนต์ท่านเองสวดมนต์นี่ก็เพื่อให้เราหยุดคิดเนี่ยไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆ ถ้าคิดสวดได้ทั้งวันได้ยังดีเริ่มพุโทโธไปทั้งวันเงนี้ยแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมจิตก็จะสงบได้คําถามจากคุณเพนปัญญาเกิดแล้วทําให้จิตคิดรู้แต่ความจริงใช่ไหมคะคือปัญญาจะทําให้จิตเห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่อยากได้ เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ที่ตอนนี้เรายังมีความอยากอยู่เพราะเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์กันเราคิดว่าเป็นสุขกันอยากได้แฟนคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาแล้วเป็นยงไงต้องมาน้องหอมน้องให้กับแฟนไม่ใช่กับเรื่องของแฟนเดี๋ยวแฟนไม่ทําตามใจเราไหนก็เสียใจแล้ว ชวนแฟนให้ไปเที่ยวแฟนบอกไม่ไปแค่นี้ก็เสียใจแล้วร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาละหมดแล้วเออยังไงใครอยากจะฟังอยากจะถามอะไรไหมค้ัอาจารย์พักที่นี่ได้ไหมว่ได้ไม่มีที่พักเลยอ่ะยมคนหนึ่งบอกว่าปีนี้รีสอร์ทจะบอดลขอเบอรทุกคน อ๋อก็ต้องไปถามเขาดูเนี่ยอ่าท่านนั่นคืออาจารย์สันติธรรมเราคนบอกว่านี่สอนย้ายนี่ตรงนี้อ่าก็ไปถามยามดูสิยามที่เฝ้าทางประตูเข้ามาเนี่ยถามเขาถ้าไม่มีอะไรเราก็จะได้เลิกประชุมกันนะอ่าก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน